อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะ เราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรายการกันหรือว่าเปิดสถานีตั้งแต่ตอนตีหแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังรายการธรรมารัปรุณนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่มีประจําทุกเช้าแล้วเราก็มีแฟนรายการมากมายเพราะว่ารายการธรรมารัปรุณนั้นเป็นรายการที่เรียกว่าทําให้ท่าน เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วเนี่ยก็รู้ในสิ่งที่เขาเรียกว่ารู้ตามที่เป็นจริงเห็นตามสิ่งที่เป็นจริงดังนั้นจิตใจก็จะสบายสงบมีความร่มเย็นในใจเรียกว่าเย็นที่ใจตลอดเวลานะคะดังนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการธรรมรัตน์นั้นเป็นรายการที่ให้ความสุขสงบ แล้วก็ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วค่ ะ, ะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือนสิบสองปีมะเมียนะคะก็เป็นช่วงของการที่ดิฉันจานำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันว่าในภาษาบาลีก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสาฉา กับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรนะค ะ, ะการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจา ซึ่งเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วเราก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดที่ตัวพะโสหรือท่านพระคูณสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกนั้นอาเป็นทั้งองค์ที่ปรึกษาแล้วก็ยังเป็นองค์ที่จะได้เป็นพระอาจารย์สอนในหลักสูตรการเรียเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษกันด้วยก็ขอนําทุกฝัง่งทางบ้านมากรา น้อมักการพระอาจารย์พระมาหาภับูลเออรพิบุโนโพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรัรุ์กันเลยนะคะกราบน้มสักการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าข า, า, าเทียนบานสาธุเจ้าขาพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้โยมอยากจ ะ, อะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมสักการอขอความเมตตาพระอาจารย์พระมาหาภัยบูลได้คุยกันถึงเรื่องของการทําจิตใจเขาเรียกว่าให้หมดสิ้นไปซึ่งความ เอ่อเขียดแค้นอคติชิงชังอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าเรื่องของความเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรต่างๆนี้บางทีเราเราไม่ได้อยากให้มันอยู่นะเจ้าค่ะบางทีก็ตามติดจิตเรามาทําให้เราไม่มีความสงบสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อยากจะขอนําเรื่องนี้มาสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลหรือพี่บุญโนหลังจากที่เราคุยกันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เรื่องของความสามัคคีไปแล้วเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะใช่ก็คืออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันว่า แน่นอนห น, หนึ่งในเหตุที่คนเราไม่สามารถคีกกันไม่สามารถลงกันได้ไม่สามารถเข้ากันได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการผูกเวรเรื่องการที่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคิดร้ายคิดปองร้ายคิดในการที่จะให้เขาได้สิ่งที่ไม่ดีแต่เพราะฉะนั้นถ้าจิตของเรามีลักษณะแบบนั้นถ้าจิตของเรามีลักษณะแบบนั้นมีความราร้อนมีความเผารนมีความรุ่มร้อนอยู่ในใจ แต่นนมันก็จะออกมาทางกายออกมาทางวาจ า, แ, า, างงแต่เขาพูดอย่างนีง้ไม่เห็นด้วยแต่ก็าพูดอย่างหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็จะไปเรื่องหนึง่งไปละฉันจะเอาอย่างอีกฉันจะเอาอย่างที่ไม่เห็นด้วยกับเธอไม่ว่าเธอจะเอามาอย่างไรก็ตามมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนั้นเป็นการก็เรียกว่าผูกเวนแนะถ้าเรารู้สึกอาฆาตไม่พอใจผูกเวนกับใครนะเราจะต้องมีเครื่องมือช่วยในการที่จะละสิ่งเหล่านี้คืออาตมายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเขาผูกเวนกับเราเราจะไปช่วยเขาได้ไงไม่ใช่นะ นี่คือตัวเราอเองนะถ้า ต, ตัวเราเองมีจิตใจที่อาฆาตมาดร้ายพยาบาทอันนี้เรากําลังจะแก้ตัวเองแต่ทีนี้คนที่จะรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีอาการผูกโกรธมีความอาฆาตมาดร้ายพยาบาทอยู่เนี่ยเขาจะต้องมีสติพอสมควรคือตัวเองบางทีก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ไม่คิดว่าจะแก้กลับคิดว่าการแก้แค้นการทําให้ดีเป็นสิ่งดีอันนี้คือแสดงว่าคนนี้เป็นคนผ่านจริงๆเลยนะ แต่ถ้าเพราะว่าเราพอจะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันเกิดขึ้นจิตใจเราทำไมเป็นแบบนี้แต่มันไม่ดีนะเราต้องการจะแก้แต่ว่ายังแก้ไม่ได้นะต้องการะจะแก้แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อะทำไงดีเออ น, นี้แสดงว่าคุณเริ่มมีมาสู่ทางที่เป็นบัณฑิตนะแสดงว่ากำลังขวนขวายหาบัณฑิตในการที่จะให้ข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะมีทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีอะไรบ้างอันนี้คือเรากำลังพูดประเด็นนี้กันในวันนี้จุดค่ะนะ อันดับแรกก่อนว่าเร า, เราเข้าใจนิดหนึ่งว่าการปลุกโกรธการที่เรามีความอาฆาตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจคือเราตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่เช่นว่าฉันเขาต้องเรียกฉันว่าชื่อนี้แต่ปรากฏว่าเขาไม่เรียกฉันชื่อนี้กลับไปเรียกชื่อพ่อฉันกลับไปเรียกชื่อแม่ฉันอย่างเงี้ยเราตั้งความพอใจไว้อย่างหนึง่งแต่เข า, เร า, เ, ราเรากลับได้อีกอย่างหนึง่งแล้วก็จะเกิดความไม่พอใจอะยนี้ ให้ความไม่พอใจนี่แหละมันเป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะมันก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นโดนหลายทีขึ้นนะไม่แก้นียไม่รู้จักแก้ไขไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองตอนนั้นยังเผลอสติยังนึกไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะหนักขึ้นเพิ่มขึ้นแนี่เป็นความผูกกรธเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาทหนักขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ก็เริ่มมือขยับปากขยับหนักขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หยิบปืนหยิบมีดทีนี้เนี่ยมันก็จะไปหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นอย่างนั้น <ต>นี่คือลักษณะที่ว่าถ้าบอกว่าเราเผลอเรือสติแล้วไม่รีบแก้ไข น, นี่ก็เหมือนกับแมนประเทศไทยมันไม่มีนะภูเขาน้ำแข็งที่เขาค่อยๆกลิ้งลงมาน้ำแข็งค่อยๆกลิ้งลงมาจากยอดเขาเนี่ยมันก็จะค่อยหนาขึ้ น, สะ ส, นสะสมขึ้นสะสมขึ้น เหมือนหิมะที่กลิ้งลงมาจากบนภูเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่หิมะที่กลิ้งลงมาจากบนภูเขามันก็จะค่อยสั่งสมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ถ้ า, าเราไม่รู้จักหยุดมาซะก่อนเจ้ค่นะนี่นี่คือทางที่จะไปสู่ทางเสื่อมแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตรง ก, กลางๆอยู่นีคือยังไม่ได้เสื่อมถึงขนาดฆ่าคนติดคุกแล้วเนี่ยโอ้อันนั้นหนักมากบางทีคุณต้องไปใช้กรำในนรกซะก่อนแะต่ถ้าคือเลยเถอถึงขนาดฆ่ามารดาบิดานี่ไปนู่นเลยนรกกาเนิดใ น, กก น, ในชาดีพิชัย นะ<ช>แต่ถ้าบอกว่ายังไม่เลยถึงขนาดนั้นอาจจะต้องรอคนที่มีความสามารถจริงๆอย่างพระบุรุษชามาช่วยท่านพระองค์กุลิมานเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คืออาจจะพน้นใช่ ก, <ำ S 1> ก็คือคน<ด>ที่ ม, ม, มีความสามารถมาช่วยท่านพระองค์กุลิมานให้พ้นได้<ช>น ะ, ะหรือว่าถ้าเรายังไม่หนักถึงขนาดนั้นเราพอที่จะช่วยตัวเราเองเราพอที่จะพ้นได้เนี่ยเราจะต้องอย่าเพิ่งปิดสินะต้องอยู่ในกรอบของสีนก่อนทีนี้เราอยู่ในกรอบของศีลอยู่แต่มัน กรุ่นอยู่ในใจนี่คือตรงนี้ที่เราหลวงพูดถึงแสดงว่าก่อนหน้านี้มันมันหลุดมาหลายรอบแล้วนะมันเจอความไม่พอใจมันเจอความขัดเคืองมันเจอความแบบไม่ชอบใจสะสมสะสมสะสมหลายทีเข้าอ่านขาหนังสือพิมพ์บ้างโทรศัพท์บ้างข้อมูลมาทางสือ่อสังคมออนไลน์บ้างทางอินเทอร์เนต็ตบ้างอะไรต่างๆเนี่ยโดนหลายรอบหลายรอบโดยที่เราไม่รู้ตัวคําว่ารู้ตัวนี่หมายถึงมีส ต, ติตั้งรับนะ โดยที่เราไม่มี<ช><ด>สติตั้งรับเราตั้งแต่ความพอใจไว้อย่างนี้แต่ข่าวมันมาเป็นอีกอย่างนึงเนี่ข้อมูลมันมาเป็นอีกอย่างหนึ่งไปคนพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็สะสมสะสมสะสมใช่ไหมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยพอพกปูนกลายมาเป็นความผูกเวรกลายเป็นความพยาบาทกลายเป็นความคิดที่จะต้องเบียดเบียนนี้ยังไม่ได้เลยถึงว่ารมนะอย่างอย่เพิ่งทําอย่าเพิ่งทาเพราะว่าทำใช่ใช่ใช่เนี่ยเพราะว่าทำแล้วถ้ามันเลยไปจนถึงแบบว่าพูด ยุยงให้แต่การพูดโกโหกมันเริ่มผิดสีและเริ่มผิดมากแล้มันมันเริ่มมากแล้วบางทีอาจจะแก้ไม่ไหวแต่ถ้า บ, บอกว่าจิตใจเราอยู่กับเรื่องอยู่ในขั้นตอนนี้กรุณาฟังกรุณาฟังนะแก้ไขตัวเองเราลงมาที่นี่เพื่อที่จะเตือนสตินะว่าอย่างนี้มันไม่ดีนะวิธีแก้ทํำยังไงแนะต่พระพุทธเจ้าตรัสแบนี้คุณตาจ่ายบอกว่าธรรมะหประการเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยนะถ้าทําแล้วนะก็เพื่อความยินดีในกุศล เป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนสิ่งที่กำลังจะพูดอยู่ต่อไปนี้5อย่างนี้นะจะเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนนี่เรากำลังจะหยุดตรงกลางๆตรงนี้นว่าอาก่อนหน้านั้นถ้าจะอธิบายให้มันลึกซึ้งลงไปนะก็คือก็จะต้องไปหยุดตรงความพอใจหยุดตรงเรื่องสติหนะยุดตรงเรื่องปฏิฆะ อันนี้มันก่อนหน้านั้นละเราจะมาจะไม่พูดถึงตรงนั้น <Okay. S 1> แล้วเราจะพูดถึงตรงที่ว่าบริหารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้พูดความจริงนะเป็นผู้พูดความจริงคือเป็นคนมีวาจาสัตว์ต้องมีวาจาสัตว์ต้องมีการพูดจริงทําจริงหนะมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่แกล้งกล่าวบาจาให้ผิดต่อโลกนะละมุสาวาตวา่างนั้น นี่คข้อที่1น่งถ้ามีแล้วดีดีๆนี่เป็นบริการข้อที่1นึ่งบริการข้อที่2ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียนะครคําว่าความเพียรในที่นี้หมายถึงการทําจริงแน่แนจริงในรายในการที่จะเอาอากุศลธรรมออกจากใจในการที่จะทํากุศลธรรมให้เข้าอยู่ในใจนะคําว่ากุศลธรรมนะทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การให้ทางรักษาสิญเจริญภาวนาคําว่าอากุศลธรรมก็ทุกอย่างเลย นะัตั้งแต่การที่ละไอเจ้ามิจฉาวาจาละมิจฉาสังฆปะละสิ่งที่มันเป็นความชั่วความบาปความหยาบความไม่ดีนั่นะละออกไปนะพยายามที่จะทําความเพียรตรงนี้นี่คือข้อที่สองนะนี้คนที่จะทำตรงนี้ได้คุณใจเขาจะต้องเป็นคนที่มีความกล้ามีความมีการทําจริงไม่เหยาะแยะไม่ทอดทิ้งในกุศลธรรมทั้งหลายนะตรงนี้คือเป็นคนจริงนะเจ้าค่ะใช่ต้องเป็นคนจริง ก็คือไม่ไม่ทําแบบรูปๆคลำๆไม่ทําแบบขอไปทีไม่ทําหยอกๆแยแยนะนี่คือข้อที่สองที่หมายถึงแล้วข้อที่สามก็คือเป็นผู้ที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ใ น, น, นการประพฤติพรหมจรรย์นในที่นี้ก็คื อ, อต้องรักษาศีลแปดต้องมีศีลแปดเป็นอย่างน้อยคือเ น, นี้ยถ้าสมมุติว่าเร า, เาครองเรือนเป็นฆราวาสอาจจะมีสามีภรรยาก็ยังกินข้าวเย็นอะไรต่า ง, างๆเนี่ยอันนี้อะไรมาลก็จะต้องแนะนําว่า ก็ควรจะต้องมีเวลาสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะเผื่อไว้วัน2วันหรือว่าครึ่งวันตรงนั้นตรงนี้ที่เราจะต้องรักษาศีนแปให้ได้ให้ดีเจ้าค่ะคำว่าพูประพฤติปรหมจรรย์ในที่นี้นนก็คือรักษาศีนแปดเป็นอย่างน้อยแต่เพดั ะ, ะนั้นเราจะต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องทําตรงนี้ให้ได้อย่างน้อยก็ทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้นก็มีหลายๆท่านทําอยู่นะเจ้าค่ะใช่ใชบาง ค, าคนก็ทําช่วงเข้าวรรษาตลอดเลยก็มี อันนี้ก็เป็นความดีมากาแล้วส่วนข้อที่4นะเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนข้อที่4ี่ก็คือเป็นผู้มากด้วยการสาธยายแต่คําว่าสาธยายนี่คือหมายถึงการสวดมนต์นั่นเองก็คือเอาคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาท่องบนซ้ําไปซ้ำมาให้มีการจําได้บางทีเราอาจจะบทสวดมนต์บทไหนที่เราจําได้เช่นบทอิติปิโสมาสวดมาท่องมาสาธยาย <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นบริการข้อที่4แล้วส่วนข้อที่5มันก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้มากด้วยการบริจานะคแต่คำว่าบริจาคนี้ที่มันก็มีความหมายความหมายธรรมดากับความหมายเบื้องลึกนะ <Okay. S 2> ความหมายธรรมดา ก, ก็คือหมายถึงว่าเราก็บริจาคทรพัพย์เราบริจาคสิ่งของเราบริจาคสิ่งของายนอกไปอย่างนี้ น, ะ น, นีคือคือความหมายทั่วๆไป ควา ม, มเรารู้กันอยู่โดยทั่วไปนะคะใช่นะใช่ <so S 2> ใช่ชนความหมายเบื้องลึกนความหมายเบื้องลึกนี่คือเราเอาออกเนี่ยคือเราเอาเจ้าสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอาวิชชาเนี่ยออกนะออกไปจากใจของเรา <Okay. S 1> น ะ, ละสละความตระนีอันะเป็นมนฑินเราต้องมีการนําออกตรงนี้นะคืนคือไม่ใช่ว่าเอาไปให้คนอื่นนะคือไม่ใช่บางคนจะคิดว่า สมมติโยนให้คนอื่นฉันกโกรธฉันก็เอาคําด่าว่าไปใส่เธอให้เธอโกรธ ด, ด้วยอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมาย<ช>คือคืนให้สังสารวัตรไปนะคือเราเอาความโกรธความอเจ้าสิ่งตัณหาวิชาเนี่ยออกไปคืนไปคืนให้สังสารวัตไปมันไม่ใช่ของเราเป็นของที่มีอยู่กับโลกมันไม่ใช่ของเราถ้าเราจะเป็นคนประเสริฐเราจะเป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนต้องมีข้อที่ห้านี้ด้วยคเอี๋ยวนี้ คำว่าอคืนไปสู่สังสารวัตนี่โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พร ะ, พระหมหาภัยบุญสากกษาหรืออธิบายสาธิยาอีกสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะสังสารวัตรก็คือโลกทั่วๆไปของเรานี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มีสิ่งล่อลวงทั้งหลายแหล่มากมายใช่ใชใช่เจ้าค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอคนที่มันกระทบกระทั่งกันอยู่ทุกวันนี้นะคุณเดินใจเจ้าค่ะถ้าเราจะพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปโทษเขามันก็ก็ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นธรรมดาของโลกว่ามันก็ต้องมีผัด ส, สะกันก็ธรรมดานะจริงๆงมันเป็นโทษของสังสารวัตรนะที่ทําให้เราจะต้องมาอยู่ด้วยการเห็นหน้าการพูดจากันพูดจาการเห็นหน้ากันบางทีพูดไม่ดีใส่กันพูดดีใส่กันก็มีมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันนะจะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องโทษสังสารวัตรด้วยแต่เราว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัยนะมันเป็นตามเหตุปัจจัยของอะไรของเหตุปัจจัยของอะไรนะ ของเหตุปัจจัยคือมันไม่ได้มีอะไรที่จะควบคุมเป็นตัวเป็นตนของมันเองได้นะออย่างเช่นว่าปวดขาอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าปวดขามันเป็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยมันแบบเป็นก้อนเป็นอะไรเป็นเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของมันหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะว่าร่างกายบางทีมันมันปล่อยสารกรดแลคติกแอซิดออกมาจึงค่อก็เลยทําให้ขาปวดแล้วกรดแลคติกแอซิดมาได้ไง อามันก็เกิดจากการที่ร่างกายมันผลิตาสารอาหารหรือเผาผลาญในลักษณะ ท, ที่ไม่ใช้ออกซิเจนเแลั้ะตรงนั้นมาได้ไงมันก็มีเหตุปัจจัยของเหตุปัจจัยแล้วของเหตุปัจจัยแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเองทําเองที่มันจะเกิดขึ้นตามที่มันต้องการได้เลยอันนี้คือความที่ไม่ใช่ตัวตนความวทีมไม่เทีย่ยงด้วยนะจ๊ะค่ะถูกต้องถูกต้องนี่แหละคือสังสารวัตมันเป็นอย่างนี้เจ๊ะค่ะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันเป็นของที่มันมีเหตุมีผลของมัน มันมีเหตุเกิดมันก็ต้องมีถ้าเหตุไม่มีมันก็ต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความที่มันไม่ใช่ตัวตนเราเห็นมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นของใครอ่ะมันไม่มีของใครหรอกคุณเดินใจมันเป็นของสังสารวัตรนี่เราเข้าใจ่างนี้ก็คือว่าเราก็บริจาคคืนสังสารวัตไปอื่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหม่5หมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใชใจ่ไใช่ไห่ในขั้นตอนตรงนี้หม่่มใช่มใส่มข้อเช่นม่ไหม่ไหมใไม่ไม่ไหมใ พูดโกหกอะไรมากอยู่แล้วนะก็พอที่จะทําได้เรื่องของศีล ก, การไม่พูดโกหกเนี่ยจะมีหลุดๆบ้างแต่ก็ก็ยังพอที่จะดีได้บ้างนะ <Okay. S 1> ก็แก้ไขเอาใช่ป่ะส่วนข้อไหนที่ไม่มีเช่นอาจจะยังไม่ได้สวดมนัสยายมนัส เ, เราก็มาฝึกมาท่องก็ได้เราก็ส่วนเรื่องของการประพฤติปรมาจันบางคนอาจจะยังไม่ได้รักษาศีล8หรือรักษาบ้า ง, ตร ง, ต, ร ง, ต, รงตรงนั้นตรงนี้ก็ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทําให้มันเป็นประจํา แล้วก็เรื่องของการทําความเพียรนี่ก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบและทั้งที่เป็นแบบไม่ใช่รูปแบบก็มีเราก็ฝึกก็ทําตรงนี้นีจะเป็นองค์ประกอบเป็นบริการของจิตเนี่ยเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนตอนแรกที่มามาอ่านเรื่องนี้นะคุณเตนใจก็มีความสงสัยว่าเออห้าข้อนี่มันจะไปทําให้จิตเรามันไม่เบียดเบียนได้ไงมันเป็นเหตเป็นผลกันยังไงใช่ปะมันดูดมันเหมือนกับอสวดมนต์รักษาศีลแป พูดความจริงมีการให้การบริจาคเฮ้ยแล้มันไปเกี่ยวกับจิตให้จิตมันมันไม่ปลูกเวรเขาได้ยังไงนะเจ้าค่ะอันนี้ ย, ยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านรอฟังคำอธิบายของอาจารย์อยู่เจ้าค่ะอ่าใช่เพราะว่ามันไม่ได้เห็นไปแก้เขาเลยเนะี่ยแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าจะทําให้เราพอใจได้ตรงไหนมันมเป็นตรงนี้นะีคืออันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอาตมาก็จําระพุทธเจ้าลอกมาอีกทีหนึ่งนะเออพระพุทธเจ้าตรัสเป็นเติร์นใจบอกว่าบุคคลที่มีห้าอย่างนี้แล้วเนี่ย แล้วทำนะทำแล้วนะทาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมี5้าอย่างนี้ด้วยนะคือคือไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็คิดว่าตัวเองทำแต่ว่าไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะโอเคคุณทำคุณอ่านแล้วคุณรู้แล้วแล้วคุณทำจริงด้วยจนคิดว่าคุณมีตรงนี้แล้วแต่คุณมีแล้วเดี่อรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีอย่างแล้วย่อมได้ความรู้อัฏย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมดอันประกอบด้วยธรรม คือคนที่ทํา5อย่างนี้แล้วจะสบายใจเอาแค่ okay, นี้ก่อน<ป>ะจะมีความสบายใจอยเช่นว่าเราพูดความจริงเนี่ยเราไม่ต้องมีกังวลว่าใครจะมาจับโกหกเราไดนะ้หรือไม่ต้องมาที่จะโกหกครั้งที่2เพื่อที่จะไปปกปิดโกหกครั้งที่1อะไรเงี้ยนะแล้วก็เราประพฤติประวัติใจมีศีลแเนี่ยจิตใจมีกําลังนะมีความเข้มแข็งอยเช่นว่าถ้าเรารักษาศีลแแล้วก็ไม่กินข้าวหลังเที่ยงนะถ้ามีคนมายั่วยวนล่อลวงชวนให้กิน จิตจมัต้องเข้มแข็งใ <Okay. S 1> นะการสยายนสัญญมนียิ่งดีเพราะว่าได้จําคําสองของพระพุทธเจ้านะโดยพิองยิ่งถ้าแปลด้วยเข้าใจความหมายด้วยนี่ยิ่งดีนะอันนี้ทําให้มีความสบายใจอยู่ในระดับหนึ่งความสบายใจนี้เป็นความสบายใจที่ประกอบด้วยธรรมด้วยนะ mm hmm. คือไม่ใช่ว่าฟังดนตรีชอบที่เราชอบแล้วก็สบายใจไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็ว่ายัางมีเครื่องร่อยังเอาเสียง <Okay. S 1> มาล่อทางหูหรือนะว่ากินอาหารอร่อยแล้วก็สบายใจ นั่นคื อ, อยังเอารถมาล่อทางลิ้นแต่ว่า <Okay. S 1> ความสบายใจตรงนี้เป็นความสบายใจที่ประกอบด้วยอัตตาประกอบด้วยธรรมะแตนะ่เป็นความสบายใจชนิดที่เป็นนิราหมิตแต่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามสบายอยู่ในใจอ่ะแบบสบายใจโดยที่ไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันมีเหตุผลของธรรมะนะนะคนที่เป็นอย่างนี้คุณตาใจนะคนที่มีความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้พระพุทเจบอกว่าเป็นบริการของจิตนะห้าอย่างนี้รวมเป็นอันเดียว เหนืเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีความเบียดเบียนไม่ให้มีเวรนั่นเองเพราะว่าจิตที่สบายใจแล้วเนี่ยนะมันจะไปคิดเบียดเบียนคนอื่นมันไม่ได้เลยอืมเจ้าคันมีแต่จะคิดที่จะให้ประโยชน์เกิดกับเขาให้ประโยชน์เกิดกับเราให้ประโยชน์เกิดแก่ทั้งสองฝ่ายมีแต่จิตที่จะคิดให้ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีการปลูกเวรนีเป็นอย่างนี้ความสบายใจที่จะเกิดขึ้นอันประกอบด้วยธรรมนั่นเอง น, นจึงเป็นผลที่จะทำให้ จ, จิตใจขงเราไม่เบียดเบียนไม่มีเวรได้ เพราะนั้นการที่เราจะฝึกให้คนมาปฏิบัติจริงๆริงจงๆฝึกให้มีการปฏิบัติที่มันจะส่งผลให้จิตใจของคนสบายเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาในทุกๆระดับแก้ปัญหาระดับที่เรียกว่าลึกที่สุดคือระดับจิตเลยแล้วก็แก้ปัญหาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องสังคมเรื่องการเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการค้าเรื่องการต่างประเทศตรงนี้แก้ได้หมดเลยคนตใจ เจ้าค่ะดีมากเลยธรรมะของพระเจ้านี่นะเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระองค์ท่านอสอนให้เราแก้หรือว่าทําให้จิตของเรามั่นคงแล้วก็มีกำลังใช่ไหมเจ้าค่ะ ช, ชที่จะไม่ไหลไปในทางต่ําหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาหรือว่ามีจิตที่อาฆาตมาาร้ายอะไรต่างๆก็สบายจากจิตเราจริงๆดังนั้นเมื่อจิตเราสบายไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นก็จะทําให้ถ้าทุกคนในสังคม เป็นแบบนี้ก็จะทําให้สังคมนั้นมีความสมบสุขแล้วก็มีแต่สันติถูกไหมเจ้าคะ่ะถูกต้องาาถูกต้องคามพยาบามอาคาตก็จะหมดไปว่างั้นเถอะถูกต้องเจ้าค่ะอคุณจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายจะออกกี่ฉบับหรือไม่ออกสักฉบับนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา<ช>แต่ในทางตรงกันข้ามนะในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจกับขลาดจิตใจแบบมันหาเรื่องจิตใจในการที่จะเสียดแทงกันต่อให้คุณออกกฎหมายกี่ฉบับ ไหนะมีร่างกฎหมายกี่ร่างกี่พี่พ่อสอสนะมีตำรวจกี่คนก็ตามเราก็จับไม่ได้ไม่หมดนะปัญหาก็จะไม่ได้แก้ที่ที่ต้นเหตุครับแต่พอเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือที่จิตใจของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยให้มีละสิ่งที่เป็นอกุศลทําสิ่งที่เป็นกุศลมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้คุณเดินใจเขาไดว่าเป็นการปกครองโดยธรร ม, มเป็นการปกครองโดยธรรมซึ่งพระเจ้าก็เป็นธรรมราชาอยู่แล้วในะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา เนต่องจากตอนขึ้นกองร่างก็บอกว่าจะปกครองด้วยธรรมอยู่แล้วตรงนี้แหละคือลักษณะที่เป็นการปกครองโดยธรรมให้จิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านประชากรในประเทศมีธรรมะในใจกฎนะหมาย ก, ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมนในระดับที่กฎหมายจะทําได้แต่จิตใจถ้ามีธรรมะช่วยได้หมดทุกเรื่องเลยเจนะ้าค่ะอ้าด้วยเจ้าค่ะอันนีิยมเห็นด้วยกับพระอาจารย์พระมหาปับุตรอพี่ปุโนเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่า เราจะแก้ไขในสิ่งผิดนะเจ้าคะหรือปฏิรูปประเทศชาติอะไรเนี่ยก็คงจะต้องย้อนมาที่ปฏิรูปจิตใจแล้วก็ต้องสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ลึกลงไปในจิตใจของอพี่น้องประชาชนชาวไทยเราในทุกระดับชั้นอย่างแท้จริงถูกไหมคะใช่ใชนี่สำคัญสำคัญมากใช่เจ<ช>้าค่ะ สําหรับเวลาในรายการเช้าวันนี้ยังพอมีอยู่บ้างนะเจ้าคะ่ะโยมก็เลยอยากจะขออนุญาตท้ายรายการนี้ได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ย้ําถึงเรื่องของซีดีธรรมะที่เราจะแจกนะเจ้าคะปีนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าทําซีดีแจกให้ จํานวนเจแผ่นนะเจ้าคะ<ช>แล้วแถมปีนี้มีโบนัสด้วยก็คือจะมีะที่พระอาจารย์มีซดีเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นที่8ซึ่งก็เป็นแผ่นที่พระอาจารย์พระหมหาภับูลนั้นเมตตาที่จะรับนิมนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคภาษาต่างประเทศหรือที่เรียกว่าภาคโอเวอร์ซนะเจ้าคะขึ้น88ก็ไปเทศทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยอันนั้นแจกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นการแถมอีกหนึ่ง ซีดีด้วยนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมก็อยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาชี้แจงถึงซีดีว่าเนื้อหาเรามีอะไรบ้างเพื่อว่าท้ามาฟังทางบ้านบางท่านที่ไม่ใช่แฟนรายการเกิดเปิดมารับฟังในเช้าวันนี้ต้องการที่จะนำธรรมะไปก่อมเกลาจิตใจก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนิมนมดเจ้าคะ่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เราเท่กันตั้งแต่ในปีสองพนรยห้าสิบเจ็ดก็ทั้งหมดสาร้อยห้าสิบสามตอนตั้งแต่วันออกพรรษาของปีที่แล้ว จนถึงวันออกพรรษาของปีนี้นโดยประมาณเนี่ย353ตอนก็ได้คัดเป็นซีดีทั้งหมด7แผ่นแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังต้องการรับซีดีชุดนี้ซึ่งมีโบนัสเป็นแผ่นที่8คือที่เป็นเทศสองภาษาเป็นการอ่านพุทธพจน์ให้ฟังเราก็ยังจะมีอีกแผ่นหนึ่งด้วยนะเป็นธรรมเทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อดออรสนาธิโทภาโสอันนี้ก็จะมอบให้ด้วยเป็นแผ่นที่9 เจ้าขาเขาเรียกว่าเลขสวยมากเลยนะเจ้าขาสำหรับปีนี้อ่าแล้วถ้าต้องการรับนะก็สามารถเขียนเป็นจดหมายก็ เ, เรียกว่าใส่เอาซองเอาซองการกระแทกขนาด a อสติดสเตมสิบหาบาทในะเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้นะับพับใส่ซองอีกซองหนึ่งมาซองข้างนอกนี้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยถนน ว, วิพาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหนะึ่งศูนย์สี่ย์บวงเล่ารายการธรรมารับปรุณเจ้าขาแล้วก็ ซองข้างนอกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกก็ได้แตนะ่ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงของประเดศไทยแต่คืออย่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหายโศกเพราะว่ามันจะช้าล่าช้าเพราะว่าซีดีเราทําที่กรุงเทพอยู่ที่โรงงานที่กรุงเทพทําที่กรุงเทพหมดเลยแล้ว <Okay. S 1> ก็จะเอาไปให้ทางเจ้าหน้า ท, ที่ของสอวทชเนี่ยช่วยกันดําเนินการให้มันเสร็จภายในปีนี้ <Okay. S 1> เป็นของปีใหม่ห้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าส่งมาที่อุดรมาก็ต้องเอาไปที่กรุงเทพ อ, อีกนะ แต่ช้านะเจ้าค่ะใช่ใช่ใชแล้วก็ส่งตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าถ้ารอไปปลายปีเนี่ยบุหรี่ปรณศนีจะมีงานมาก <c oughs> แต่ก็อาจจะมีจดหมายหายตกลนอย่างที่ผ่านๆมาเราก็เลยชิงทำก่อน <c oughs> ชิงทำตอนนี้เลยเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการ ของรายการธรรมารบุรุนคงจะทราบกันดีว่าการทําซีดีแจกเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆ ท, ท่านโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่อาจจะไม่ได้ตามรับฟังไม่สามารถตามรับฟังรายการธรรมารบุรุนได้ทุกๆเช้านะเจ้าคะปีนี้ก็รวมแล้วก็มีเจ็ดทั้งหมด9แผ่นด้วยกันมีของพระเดชพระคุ ળ หลวงพ่อ ร, รกเกลือสะอาทีตภาโซอ่าหแผ่นซึ่งก็จะสอนอเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเลยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับทุกฟังทางบ้านนะคะรวมทั้งที่จะมีภาคภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ฉันคิดว่าทุกผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านแม้แต่ตัวเดียน เ, เองนั้นเนี่ยก็คงอยากจะฟังว่าคําสอนของพระพุทธองค์เรานะเนี่ยเวลาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยจะใช้คําศัพท์อะไรบ้างซึ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์ความรู้แกเราเนีเจ้าค่ะเจ้าคะ่าคะและอีกอย่างนึงโยมทราบว่าพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ที่จะมาเทศที่กรุงเทพมหาคนครด้วยนะเจ้าคะ่ะ ยมก็เลยขออนุญาตที่จะเปลี่ยนถามหรือว่ากล่าบพูดถึงรายละเอียดสักนิดนึงว่าวันที่28คือในวันอังคารนี<ช>้<ะ>พระอาจารย์ก็รับนิมนต์มาเทศเกี่ยวกับเรื่องของการทำงบประมาณใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชที่ทางปตทสพอตอนเที่ยงถึงบ่ายมงครึ่งนะเจ้าคะ ส่วนวันถัดมา29ตุลาคมนั้นถ้าใครเป็นลูกศิษย์และอยากจะฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุตรอุพิปุโนโ่ได้สักชาหรือว่าเทศกันสดๆนั้นก็ตามไปรับฟังได้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาตท่านจะเทศเกี่ยวกับเรื่องของจิตตนครตอนเที่ยงถึงบ่ายมงครึ่งเช่นเดียวกันนะเจ้าคะ่ะนี่คือที่กรุงเทพมหานครมีสองวันยี่สิและยีเก้าใช่เจ้าค่ะพอ30นี้เดินสายมาเลยนะเจ้าคะ่ะที่เ <c oughs> ชียงใหม่ <laughs> 31 <c oughs> นี้ไปที่ทางอ่า มทรล้านนาเชียงใหม่ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใเจ้าคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรสีขาวและพอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั้นก็วันที่สาตั้งแต่9ก้ามงครึ่งถึงเที่ยงนะเจ้าคะและวันที่1พฤศจิกายนก็จะเป็นเก้ามงครึ่งถึงเที่ยงเช่นเดียวกันที่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นการเทศเกี่ยวกับเรื่องพุทธปัญญาฟอกจิต อันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะตามไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพยบูรณ์อภิปโนแห่งวัดปลาดอนไนโสโศกก็ตามไปรับฟังกันได้แล้วก็ถ้ากรุงเทพก็ติดต่อได้ที่คุณชยาพิษหมายเลขโทรศัพท์ 089-124-8498 089-124-8498 และที่เชียงใหม่ก็มีสองท่านคือดรจิรพรหมายเลขโทรศัพท์081 4393หรือที่ดรบุพเวท 084-0425923 ซึ่งก็คิดว่าตามไปรับฟังกันได้ ก็จะได้รับฟังท่านเทศสดสดเลยอาสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะคงจะต้องพาท่านผู้ฟังกล่าบขอพระกรุณะกราบนมัสการาพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อพิบุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิทุพาโสดหรือท่านพระคูณสิทธิประภากรท่านจะาวาดวัดป่ารอหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิบุโนในช่วงของการเทศเกี่ยวกับเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นหมู่พิดค่ะ สำหรับเช้าวันนี้กราบขอผู้คุณและกราบน้ำมัสการาเจ้าค่ะพระจเจ้าค่ะเจ้าพานจ่าทุเจ้าค่ะ